รุ่ังที่เคารพคะ่ะดิฉันสันนินาคพงนะคะกับรายการสันรสนีสสนนาไดอารัตนาธรรมาชาคาวโรวัดนาปะพงลำลูกกาคลองสินําท่านปฏิบัติธรรมตามพุทธวจนะแล้วก็อ่านพุทธวจนะให้ท่านฟังผ่านไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะเป็นช่วงที่รายการสันรสนีสสนนาจะพาท่านไปพบกับพระภิกษุอีกรูปหนึ่งในรายการจากจังหวัดอุดรธานีนะคะวัดป่าดอนหายโศมเขื่อนหนองหานนั่นก็คือ พระเพบุญอภิปุณโญค่ะกล่าบนนักสการนะท่านคะเชิญพานค่ะวันนี้ท่านจะบูชาพระพุทธองค์ในพุทธชยันตีด้วยเรื่องอะไรคะด้วยลักษณะของพระพุทธเจ้าอีกเหมือนกันนั่นคือลักษณะของหมาบุรุษ32ประการข้ออีกข้อหนึ่งนั่นคือพระเจ้าเนี่ยสามารถที่จะ เ, เหยียดมือเขาเรียกว่าไงไม่ก้มตัวเนี่ยสามารถที่จะแตะเข่าได้โดยที่ไม่ต้องก้มตัว เป็นเหตุปัจจัยจากการที่พระองค์นี้ได้รู้ชั้นเชิงของมหาชนนะรู้ได้สม่ำเสมอรู้ได้เองนะรู้จักบุรุษธรรมดาและบุรุษพิเศษว่าผู้นี้ควรแก่สิ่งนี้คนะนี้ควรแก่สิ่งไหนลักษณะนี้ทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่สามารถมีสวดทรงดุดต้นใสนะ่คือยืนตรงไม่ย่อกายลูบถึงข่าวได้ด้วยมือทั้งสองออถ้าใครเป็นนักกีฬาเนี่ยนะ คุณยมติวไม่แน่ไม่รู้เกยดนึกออกภาพหรอกไหมอย่างนักกีฬาบาสเกตบอลอย่างเงี้ยน ะ, ะเขาจะต้องมีการที่จะคอยมีความคล่องแคล่วในการที่จะสามารถเขามีบทแบบฝึกหาดอันหนึ่งอาจจมาสมัยก่อนเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลเขาจะต้องพยายามที่จะแตกเข่าของคู่คนที่เราฝึกด้วยเนี่ยสมมุติสองคนยืนเข้าหากันอย่างเงี้ยนะพยายามที่จะแตกเข่าของคนอื่นโดยที่ตัวเองก็ต้องหลบการแตกเข่าของคนอื่นด้วยนะคือถ้าเรามือยาวเนี่ยนะแหมจะได้เปรียบมาก เพราะฉะนั้นผู้ชายก็แขนยาวมากนะสามารถรูปถึงเข่าได้ดูมือทั้ง2โดยที่ไม่ต้องย่อกาย mm hmm. นะนั่นเป็นสาเหตปัจจัยการที่รู้ชั้นเชิงของบุคคลอื่นนะพอเห็นวับเนี่อรู้เลยว่าคนนี้เป็นคนพิเศษหรือคนธรรมดาสิ่งไหนควรจะกับสิ่งนี้คือถ้าจะพูดในทางชาวบ้านเราก็รู้ว่าคนนี้เขาชอบอะไระก็จะหาสิ่งนั้นมาให้คนนี้อย่างงี้ซื้อของขวัญมาก็จะถูกใจกับคนรับตลอดเวลาอย่างนี้นะเราก็รู้ชั้นเชิงของบุคคล ว่าคนนี้ควรทําหน้าที่นี้คนนี้ไม่ควรทําหน้าที่นี้นะทําให้เป็นผู้ที่มีอย่างนี้มากมีลักษณะอย่างนี้นะคืออันนี้เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นนะของเหตุที่โปรง่งสร้างไว้ผลที่จะได้รับคืออะไรนะผลที่จะได้รับก็คือเป็นผู้ที่มีนะโภคทรัพย์มากเป็นผู้ที่มีทรัพย์มากทนะรัพย์ของพระเจ้าก็คือศรัทธาศีลนะฮิริอตตะปะวิทยะจากกะปัญญานะคืออริยทรัพย์นั่นเองนะ <Okay. S 1> คือโปรง่งก็จะเป็นผู้มีอริยทรัพย์มาก นะเพราะว่าการที่รู้เชิงเฉิงของมาชนนี้เองค่ะแล้วก็ค่ะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญคุณโยมติ๋วเพราะว่า เ, เราเราบางคนเนี่ยเขาสามารถรู้ใจของผู้อื่นคือไม่ใช่ว่าอ่านใจได้นะแต่รู้ว่าคนนี้ควรกับสิ่งนี้รู้ว่าคนนั้นควรกับสิ่งนั้นอย่างเงี้ยอย่างอย่างลูกสะใภ้บางคนอย่างเงี้ยรู้ใจแม่แม่สามีนะเขาจะนั่งก็หาที่นั่งมาให้และเขาจะกินอะไรกรหาสิ่งที่เขาชอบกินมาให้แหมอย่างนี้ ถูกใจแม่ผัวแน่นอนนะเราต้องบอกว่าเป็นคนที่เก่งนะคะคนที่สามารถจะเข้าใจว่าคนอื่นเขาคิดอะไรรัหรือชอบอะไรใช่คือรู้ใจโดยที่ไม่ได้ว่าจะต้องอ่านใจเขาได้นะอาจจะความสามารถตรงนี้อาจจะไม่มีแต่ว่าสามารถรู้ชั้นเชิงของมหาชนแต่ว่าสมมุติว่าคนที่เขามีพื้นฐานการศึกษามาอย่างนี้เขาชอบสิ่งนี้นะชอบบ้านลักษณะนี้คนที่มีพื้นฐานการศึกษามาอย่างนี้เขาชอบบ้านลักษณะนี้อย่างนี้ อย่างคนที่มาหลีกเล่นที่วัดป่าอะไรายโสงนี้ก็เหมือนกันบางคนนี้ไม่ชอบอยู่ติอยู่กุติกรรมฐาน้อยู่ไม่ได้เลยบางคนที่ชอบอยู่กติกรรมฐานถ้าเอาไปจับอยู่รวมกันนี่เขาก็ไม่ชอบอย่างเงี้ยอืมก็จะแต่ละคนก็จะลักษณ์ต่างลักษณะกันไปแปลนะคะที่ว่าพฤติกรรมมีผลต่อลักษณะฉะนั้นสำหรับพระพุทธองค์เนี่ย เหมือนว่าสิ่งพระพุทธองค์ปฏิบัติเนี่ยมันมีผลกับมหาปุริสลักษณะของพระพุทธองค์ใช่คือทำกรรมนี้สังสมมามากจนกระทั่งว่าเออมันปูดออกมาตามร่างกายว่างั้นเถอะนะคะงั้นก็เท่ากับว่าเร า, เร า, เราท่านท่า น, ท, านที่มีร่างกายแบบนั้นแบบนี้นี่ก็เช่นเดียวกันผลจากกรรมของเราใช่ต้องจะไปในแนวไหนเรามีกรรมเป็นกาเนิดพุทธเจ้าวย่างนี้ <c oughs> อืม มีกำเนดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์งั้นจำได้เราๆ mm. ท่านพิบู์ค้ะที่นี้นั่นคือเรื่องของการที่เราจะให้ท่านฟังทั้งหลายได้รู้จักพระศ า, ศาสดาของเรามากยิ่งขึ้นนะคะก็จะได้เห็นธรรมที่ปรากฏอยู่ในความเป็นพระศ า, ศาสดาของเราเพื่อถวายเป็นพุทธภูชาในช่วงพุทธชยันตีในรายการนี้สัมม น, น า, าไปแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทนจะกราบเรียนคาถามท่านไปอ่านจาก ประถาคตภพาสิบที่ท่านพริบู์เคยทำมาแจก น, นะคะบทที่สามสิบห้าที่ว่าเมื่อเธอตรึกตามตรองตามถึงอารมณ์ใดมากๆจิตย่อมน้อมไปโดยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นบทนี้เนี่ยถ้าจะให้คนที่ไม่เคยเข้าถึงพุทธเจ้ามาก่อนเลยเข้าใจไปเลยในวันนี้ ว่าพระพุทธองค์หมายถึงอะไรดิฉันทวนอีกครั้งนะคะเมื่อเธอตรึกตามตรองตามถึงอารมณ์ใดๆมากจิตย่อมน้อมไปโดยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นค่ ะ, ะหมายถึงว่าพระเจ้าพูดถึงสมาสังกัปปะหรือว่ามิจฉาสังกัปปะแต่ถ้าเราคิดเรื่องของทางการ ม, มากจิตเราก็ชื่อว่ามีการมสัญญาละมีความคิดในทางการแต่ถ้าเราคิดถึงเรื่องในทางออกจากการ ม, มากจิตเราก็ชื่อว่า คิดถึงเรื่องในการที่ออกจากกามละ่ะในธรรมะละคือแล้วถ้าเราตริตรกในทางใดมากจิตเราจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ผู้เช่าเปรียบเทียบเหมือนกับเวลาที่เราพาวัวพาควายเขาไปเลี้ยงโคอย่างเงี้ยถ้าเผื่ว่าเราอยู่ในช่วงฤ ด, ดูที่เขาทำนาเนี่ยเขาจะต้องคอยตีต้นป้องกันไม่ให้โคเนี่ยลงไปในพื้นที่นาแล้วก็ไปทําลายต้นกล้าต้นข้าวของเขาไปกินยาหญ้า ก, กินข้าวของเขาเนี่ยยิ่งจะเสียเงินมากถูกปรับด้วย แต่ถ้าในเขาจะต้องระวังมากเลยในกรณีแรกนี้นะแต่กรณีที่2คือถ้าผูมว่าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายในกรณีที่ข้าวกล้าถูกนะําไปเก็บหมดแล้วนะเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้ ว, ลวมีแต่ทุ่งว่างๆ้วนะเขาแค่ทําในใจซึ่งฝูงโคแค่นี้ก็พอโดยไม่ต้องไปคอยตีต้นป้องกันมันจากต้นพืชเหล่านั้นนะเปรียบเทียบกับการที่เราทรงจิตของเราไว้นะถ้าจิตของเราเนี่ยมีความคิดในทางการปฏิบัติเบียดเบียนนะมากโอ้จิตเรานี้มีมิจฉาสังกปะละ มีมิจฉาสังกปะแล้วทำสมาธิไม่ได้แน่นอนอทีนี้ถ้าเบอกว่าในทางตรงกันข้ามถ้าเราไม่คิดเรื่องการไม่คิดเรื่องไปบาตไม่คิดเรื่องเบียดเบียนจิตเรามีสมมาสังกประแล้วนชะี้ว่าเราจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้โควอรควายเข ก, ก็อยู่สบายสบายไปของเขานะคืออย่างยกตัวอย่างในทางปัจจุบันก็ได้สมมติถ้าคุณดูหนังที่เกี่ยวกับเรื่องฆ่าฟันเรื่องที่เป็นผิดผิดลูกเมียเข้าชู้สาวจิตเราจะน้อมไปในทางนั้นอันนี้นะคือหรือเ่าเราอ่านหนังสือดูสิ่งที่ มันเป็นเรื่องในทางผิดศีลมากๆจิตเราจะน้อมไปในทางผิดศีลในสมมติคนเอาง่ายๆคนเราคนที่ฝึกปฏิบัติมาเนี่ยคุณยมติวจะสามารถสังเกตจิตตัวเองได้ดีทีเดียวยสมมติวเวลาที่เราไปวัดฝึกปฏิบัติธรรมนะทำอยู่เป็นประจําปีหนึ่งสองปีสาปีจนกระทั่งจิตเข้าที่ระดับหนึ่งละทีนี้พอเราไปหาเจอเพื่อนใหม่นะเพื่อนใหม่นี่โอ้โหมันชวนไปกินไปเล่นไปเที่ยวไปดื่มจิตเราจะน้อมไปอย่างนั้นทันทีเราจะสังเกตจิตของเราได้ทันทีว่าโอ้ตายแล้วฉันฉันพลาดแล้วทําไมเพื่อนมันชวนไปงี้ทำให้จิตฉัน มาใยในทางที่ไม่ค่อยดีอย่างนี้ก็จะสามารถสังเกตได้นะอืมนะคะก็คือถ้าจะพูดตามทั่วๆไปก็คือคุณคิดอย่างไรคุณก็จะเป็นอย่างนั้นดังนั้นคุณก็ต้องคิดเรื่องดีๆในจิตของเราอย่าไปคิดเรื่องชั่วๆนะทีนี้ <c oughs> พอเห็นเรื่องชั่วแล้วเราควรจะทํำไงนะเราควรจะ อ, อทําให้จิตของเราเนี่ยคิดตรงกันข้ามกับเรื่องชั่วคือยกตัวอย่างเช่นบางคนที่อยู่ในสลัมนะ สลัมนี่เขาก็จะมีเรื่องยาเสพติดบ้างเรื่องการผิดชู้สาวบ้างเรื่องอะไรผิดจริตห้าอยู่ในแต่ไม่หมดสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีแต่ที น, นี้บางคนเนี่ยที่เขาคิดดีได้ว่าโอ้ยสิ่งแบบนี้ฉันฉันจะไม่ทําฉันจะไม่เอานะัก็เป็นการขุดกราบจิตตัวเองก็สามารถจากสลัมนี่ก็สามารถทําตัวดีขึ้นมาได้เรียนจบเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นนักการเมืองใหญ่ใหญ่โตขึ้นก็มีเหมือนกัน น, น, นั่นเพราะว่าความที่เข า, เาทําเครื่องขุดกราบในจิตของเขา ถึงแม้เขาจะเห็นสิ่งนั้นแต่เขาไม่มาทรงสิ่งนั้นไว้ในจิตของเขาค่ะอืมคือไม่มีความดำริในทางที่ไม่ดีแต่ถึงแม้จะเห็นสิ่งนั้นก็ตามค่ะแล้วพูดถึงเรื่องของอารมณ์อารมณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นของเขามาเองหรือว่ามันเกิดเพราะเราไปท้าถ้าเป็นอย่างเนี้ยสมมติรตริตาตรองตามเรื่องใดเมื่อจะเป็นอย่างนั้นเราก็เลยมาตั้งหลกักว่าเราจะไม่คิดในเรื่องที่ไม่ดี นะคะคิดแต่เรื่องดีๆเนี่ยแต่จริงๆแล้วโดยตัวของอารมณ์เนี่ยเราสามารถที่จะไปกําหนดอย่างนี้ได้ไหมคะว่าังนั้นฉันจะคิดแต่เรื่องดีๆเราสามารถกําหนดได้นะคืออารมณ์เนี่ยเกิดจากการกระทบสมมติมีอะไรมากระทบจิตของเราเนี่ยสมมติเสียงมากระทบอิอิอิมากระทบละเราก็จะมี<อ>จิตกํำลัดลุ่มหลงละอันนี้เราเกิดกอารมณ์ที่เรียกว่าพอใจในเสียงดนตรีที่มากระทบอย่างนี้ละหรือสมมติชายหนุ่มหญิงสาวอย่างเงี้ยเสียงของเพศตรงข้ามากระทบ ก็ทำใจิตมีความกำหนัดเกิดขึ้นอันนี้แสดงว่าอารมณ์กำหนัดเกิดขึ้นแล้วเพราะสิ่งที่มากระทบทีนี้เราจะต้องทำยังไงถ้าไม่ให้อารมณ์นั้นเราไหลไปตามอารมณ์นะเราจะต้องมีการสํารวมอินทรีย์มีการคอยป้องกันอินทรีย์ของเราไม่ให้อินทรีย์ของเราเนี่ยไหลไปตามสิ่งเหล่านั้นเออไม่ให้จิตของเราไหลไปตามอินทรีย์ที่มากระทบเหล่านั้นค่ะนึกนึกออกเหรอคะก็เท่ากับว่าเ อ, อเรา ต้องควบคุมอารมณ์ด้วยใ ช, ใช่ไหมคะเราสามารถที่จะกํา ก, กับเขาได้เพื่อที่เราจะได้ไม่มีภาระที่ห น, หนักเกินไปอและการจัดการกับอารมณ์การอยู่กับลมหายใจเป็นการตัดผัดสะเลยไหมคะถูกต้องเพราะว่าจิตที่มีลมหายใจเนี่ยอคือหมายว่าจิตที่อยู่กับลมหายใจเนี่ยคือจิตที่มีสติสติตรงนี้แหละจะเป็นตัวที่ป้องกันอินทรีย์ต่างๆทั้งหกทางได้คือคือบางคนจะไม่เข้าใจว่าไอ้ทำไมเรามีรู้ลมหายใจไปด้วยแล้วทํางานอย่างอื่นได้ด้วยหรอ นั่นคืออันนี้ทําได้แน่นอนเพราะว่าเวลาที่จิตเรามีอยู่กับลมหายใจเนี่ยนะคุณหยมติวจิตเราจะมีสติสติตรงนี้จะใช้ปิดกั้นตาหูชมูลิ้นกายใจได้เข้าใจไหมอย่างเช่นเวลาเราดูหนังเนี่ยเราก็เห็นอย่างอื่นไปพร้อมๆกันใช่ไหมเห็นรูปฟังเสียงแล้วก็คิดตามเรื่องไปด้วยมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันเพราะเวลาเราไม่มสติอยู่กับลมหายใจเนี่ยสติตรงนี้แหละจะคอยป้องกันอินทรีย์ของเราได้ค่ะนะคะก็เท่ากับว่าการฝึกสติที่ฝึกกันมาตั้งแต่ต อ, ตอนต้นรายการ ให้ท่านได้รู้วิธีฝึกที่ถูกต้องกันทุกวันทุกวันนั้นนะ่ะมีประโยชน์โดยตรงกับการที่จะช่วยแก้ในเรื่องของอารมณ์ไม่ให้มันเกิดปรากฏขึ้นมาจากผัสสะคือแก้ที่ต้นเหตุเลยใช่ถูกต้องถูกต้องคือคือแทนที่เราจะไปแก้คนข้างนอกเฮ้ยเธออย่าพูดสิเธอพูดดีๆสิการเมืองต้องเป็นอย่างนี้สิอากาศต้องเป็นอย่างนี้สิไม่ใช่ไม่ใช่เราแก้ที่จิตของเรานี่คือการท่วนกระแสเป็นคําสอนของพระเจ้านะค่ะอื การแก้ที่จิตคือการทวนกระแสการแก้ที่จิตแก้ด้วยอานาปานสติได้ตูกต้องคือมีสติอยู่กับลมหายใจอันเป็นการตัดไม่ให้เกิดการปรุงของค์ผัสสะต่างๆอืมแล้วก็ไม่ให้ไหลไปตามอารมณ์นะที่มันจะมอยคอยจุดดึงกระชากจิตของเราไปค่ะทําไมละครัมนุษย์เราเนี่ยถึงเต็มไปด้วยอารมณ์คือเหมือนกับว่าเดี๋ยวคิดอย่างโน้นเดี๋ยวเกิดความรู้สึกอย่างนี้อ๋อเพราะว่ามีเหตุของอารมณ์เกิดขึ้นนั่นคือผัสสะ เพราะมีผัสสะจึงมีความรู้สึกต่างๆไงอ่ามันเป็นเหตุเป็นผลกันนะอ่ามีผัสสะง่คุณจึงมีความรู้สึกเหล่านี้<ค>ก็ก็มันหนึ่งเรไม่ได้เรามีตาสมมุตินะาถ้าเราอยู่ติขาเนี่ยขาเราเนี่ยนะคุณโยมติ๋วถ้าเรานั่งสมาธิเราปวดขาปวดขาลงไปถามงูซิงูเนี่ยมันปวดขาไหมงูไม่มีขาเออใช่เพราะมันไม่มีขามันจึงไม่ปวดไงค่ะ อ, อ่ง่ายมากเลย <laughs> แต่เออมาถึงตรงนี้สงสัยต้องมีคนอยากทราบแน่เลยนะคะว่าอ้าวแล้วอย่างคนล่ะนั่งสมาธิแล้วปวดขานะ่ะท่านบอกว่างูปวดไห้เพราะีขาเราไม่ใช่งูหนิเรามีขาอือ่าจะปล่อยให้ปวดไปอย่างนั้นหรือว่าเข า, ามีวิธีทําให้หายปวดคะแหมคือมนุษย์เนี่ยมีจิตที่สามารถพอจะสั่งได้บ้างใช่ไหมพอเรามาเข้าใจคําสอนพระเจ้าแล้วเนี่ยว่าอ๋อที่มีความปวดความไม่ปวดเนี่ยเพราะมันมีผัจจั เราต้องตัดภาษาตรงนี้ออกไปให้ได้แค่นั้นเองเพราะว่าสามามรถเราสามารถที่จะคลายความรู้สึกคือเวทนาเนี่ยนะเราปล่อยวางเวทนาได้เราก็จะหายปวดได้นั่นะคือมันเราสามารถมาทําความเพียรทางจิตแทนที่เราต้องไปตัดขาแนละ้วไม่ใช่นะอย่าไปหักคาทิ้งนแต่เรามาทําความเพียรทางจิตในการที่จะเห็นเวทนานั้นเป็นของไม่เที่ยงนะภาษะก็จะดับไปได้จากประสบการณ์ของท่านเนี่ยการจัดการกับปัญหาการปวดขาทํานองเนี้ยนะคะ จากการปฏิบัติเนี่ยอนานไหมคะกว่าที่จะผ่านไปได้ค่ะจริงๆมันมีอยู่2วิธีวิธีแรกเนี่ยคือปวดตรงไหนเราจี้เข้าไปเลยจอเข้าไปเลยมันปวดเราเอาจอเข้าไปเลยให้มันปวดตรงไหนเราเอาเข้าไปรู้สึกเต็มที่เลยนะจนกระทั่งเห็นว่ามันมันดับไปมันไม่เที่ยงแล้วมันเปลี่ยนแปลงได้นะคือจนกระทั่งมันวางไปได้จี้เข้าไปเลยจนกระทั่งมันวางได้นี่วิธีที่หนึ่งหรือวิธีที่สองเราอยู่กับลมหายใจคือเราหลบ หลบหลบล บ, ลบไม่สนใจหลบหบไม่สนใจอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะแต่ทั้งสองวิธีนี้คุณจะต้องมีจิตที่มีกําลังจิตที่มีสมาธิคุณจะสามารถที่จะเอะทําได้ทั้งสองวิธีจากวิธีใดวิธีหนึ่งก็แล้วแต่แตว่าบุคคลนั้นเป็นประเภทเออ่จิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์นี่นะอืมอมนันเกี่ยวกับเรื่องจิตสุขหรือจิตทุกข์ด้วยค่ะ ถ้าจิตเป็นทุกข์จะเป็นยังไงคนับก็คือจะต้องเ อ, อ่เอก็จะไม่ได้รับความสุขจากสมาธิอ๋อแต่ถ้าจิตเป็นสุขนี่คือเราจะได้ความสุขจากสมาธิเราก็จะไม่สนใจสิ่งที่ปวดอ่าแต่ถ้าคนที่เอ่อเป็นทุกข์หาปฏิปทาเนี่ยก็คจะต้องเห็นความไม่เที่ยงเห็นความดับปลายของไอ้เจ้าความปวดนี้ก็คือจอเข้าไปเลยจี้เข้าไปเลยอ๋อค่ะนะคะเออบางคนเขาก็พูดอย่างเงี้ยว่าเออเขาใช้คําว่าอะไรพิจารณาอยู่ตรงนั้น คนให้ได้ใช่ไหมคะก็ถ้าพูดตามพุทธวจนะก็จะมีสองอย่างคือสุขาปฏิปทาหรือทุขาปฏิปทาค่ะถ้าถ้าเป็นอย่างหลังคือทุกขาปฏิปทาเนี่ยก็คืออันที่บอกให้สู้กับอาการเจ็บใช่ไคะใช่ใชค่ ะ, คะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการที่จะสู้กับอีกวิธีหนึ่งเนี่ยอันไหนดีกว่ากั น, นคะที่จะจัดการอันนี้อาตมาคิดว่าเป็นที่ความ อินทรีย์ของบุคคล น, นั้นนะคือหมายความว่าอินทรีย์เขามาในลักษณะไหนเนี่ยเขาก็อาจจะทำได้ในทางนั้นที่เขาเขาสร้างมาทามาอ่คือบางคนไม่ชำนาญในการเข้าสมาธิแต่ว่าชำนาญในการพิจารณาอย่างนี้ก็คงจะจะสามารถในลักษณะทุกข์ขาปฏิปตาอ๋อค่ะนะคะก็มีประโยชน์มากเลยท่านเพีบุญคะสำหรับอคอร์สลีกเรนในเดือนพฤษภาคมเนี่ย ผ่านไปวันไหนนะคะหรือว่ากำลังจะมาถึงเดือนพฤษภาคมช่วงนี้ก็จะมีหลักสูตรพิเศษวันที่ 17-25 นี่แหละอค่อะทีะ่เดือนพฤษภาอ๋อเท่ากับว่าขณะที่จัดรายการอยู่เนี่ยมีคอร์สลีกเลนอยู่เลยมีแล้วก็ครั้งต่อไปของเดือนมิถุนายนวันที่ 2-10 มิถุนายน 2-10 มิถุนายนค่ ะ, คะก็ใครสนใจยังมีโอกาสนะคะที่จะสมัคร ล่วงหน้าไปได้ยังพอมีที่ใช่ไหมคะยังมีอยู่ยังมีอยู่อืช่วงนี้ถือว่าเป็นฤดูฝนหรือยังคะทิวตอนค่ะอ๋อฤ ด, ดูฝนมาได้เดือนกว่าแล้วนะถ้าตามปฏิทินของประสงค์นี่ก็เริ่มตั้งแต่เดือนเมษามาแล้วอ๋อค่ะแล้วฝนตกบ่อยไหมคะที่นั่นก็ตกอาทิตย์หนึ่งสักสองสามครั้งนี่แหละอ๋อ สําหรับคนที่ไปปฏิบัตินี่ต้องเตรียมตัวอย่างไรคะถ้าหากว่าไปแล้วเจอฝนเนี่ยคะถ้าเดือนมิถุนาเนี่ย จ, จะถี่ขึ้นนัหน่อยอ จ, จะที่หนึ่งสามครั้งอย่างนี้ถ้าสิงหานี้ยิ่งถีมากเลยรกระดาสิงหาการเตรียมตัว อ, อย่างไรคะก็เตรียมตัวก็เหมือนเดิมน ะ, าจจะมาว่าเหมือนเดิมที่วัดเราก็มีร่มให้อยู่ถ้าจะเอาร่มส่วนตัวมาก็ได้แล้วก็เสื้อผ้าก็เอาที่มันลุกนั่งสบาย แล้วก็ถ้าเตรียมมาเลยทั้งเจ็ดวันโดยที่ไม่ต้องซักเลยก็จะดีเพราะบางทีมันไม่แห้งอือค่ะอพรพอเป็นหน้าฝนนะคะใช่ใชเดี๋ยวถ้าเกิดอาจจะปฏิบัติแล้วเสื้อผ้ายัางไม่แห้งแหมไม่มีอะไรจะใส่ให้สบายสบายนี่เป็นอุปสรรคเราการปฏิบัติก็ต้องละเอียดด้วยเหมือนกันนะคะมีกลิ่นอยู่รอบพืนก็เหื่อยเองออใช่ค่ะพูดพูดถึงการเตรียมตัวไปปฏิบัติเนี่ยฉันว่าสําคัญเพราะถ้ามันมีอะไรให้เราไม่สบายหงุดหงิดสักนิดนึงแล้วมันเสียการใหญ่นะคะก็ คงจะได้เวลาพอเหมาะพอควรแล้วนะคะที่จะกราบเรียนถางคําถามท่านพิบูร์ในวันนี้นะคะเชิญปาก็นมาส ก, การขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งคะ่ะเชิญปาค่ะท่านฟังที่ครบค่ะท่านพิบูรณอภิปุโนนะคะจากปัปตาดนีค่ะท่านก็มีเว็บไซต์ของท่านเองนะคะที่เพียวธรรมะ .com/106 ที่นั่นท่านส่งคําถามไปก็ได้แล้วก็จะไปเปิดอ่านการอธิบายธรรมของท่านในหลาย ลักษณะเลยนะคะก็เชิญส่วนการจะไปหลีกเล่นจะมีเว็บไซต์เฉพาะชื่อหลวงพ่อด็อกเตอร์ c o m ท่านก็สมัครไปที่นั่นเขาอบอุ่นนะคะพอสมัครเสร็จปุ๊บเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานคอยให้รายละเอียดจนกระทั่งเรามีความมั่นใจว่าเดินทางไปเนี่ยไม่วะเวแล้วก็เดินทางไปเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาค่าวันนี้ก็กราบนวสการขอบพระคุณ ท่านพิบูลอีกครั้งนะคะและสําหรับท่านฟังที่เคารพก็จะติดตามรับฟังรายการเรากันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะตีห้ถึงตีห้ครึ่งเช่นเคยขอให้วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ท่านได้นําความรู้ที่ศึกษาพุทธวจะนะไปไปใช้ในชีวิตประจําวันของท่านไม่ว่าจะเป็นการอยู่กับคนในครอบครัวหรือว่าชีวิตประจําวันในระดับคนทํางานนะคะพุทธสวัสดีค่ะ